ฉันท่าอะไรนะถ้าฟังแล้วเขาบอกว่าโอ๊ยฟังทำมาเยอะมากแต่แยกไม่ออกว่าอะไรควรกําหนดรู้อะไรควรละควรเจริลควรทําให้แจ้งแยกอย่างนี้ไม่เป็นอันนั้นไม่ได้ไปฟังหรอกเชื่อมานั่งหลับในห้องอมามาอาจจะมาพบปะสังสรรค์นในห้องเรียนเป็นต้นคิดถึงเพื่อนเก่าไม่รู้จะไปเจอกันที่ไหนเจอที่สวกสนทนาธรรมดีกว่าเ น, นี่ยนะจะได้ไปเจอเพื่อนเก่าได้นัดธุระอะไรสักอย่างได้สําเร็จถ้าอย่างนั้นก็ไม่สมความประสงค์ในการ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 เป็นกิจที่สำคัญจริงๆกิจคือการกำหนดรู้การละการการเจริญเนี่ยนะกหนดรู้ละเจริญเนี่ยนะสามคำสาคัญมากถ้ากล่าวถึงธรรมะเนี่ยนะในปฏิสัมพิถามนิยมยกข้อความในทัาสุดละสูตรมาแสดงมากจะเอาข้อความในทัาสุดละสูตรมาเป็นตัวอย่างในคำว่ากำหนดรู้ละเจริญ กำหนดรู้ละเจริญเนี่ยนะกำหนดรู้ว่าปริญญาละปะหานะเจริญภาวนาทำหนึ่งที่ควรกำหนดรู้คืออะไรภาษาอันภาษ ะ, อ, อ, าาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานเะนี่ยนะอันนั้นคือทำหนึ่งที่ควรกำหนดรู้แล้วทำหนึ่งที่ควรละอัสมิมานะแล้วทำหนึ่งที่ควรเจริญ่ะกายคตาสติอันสหรคต ด, ด้วยความสำราญนะ หนึ่งนะถ้าพูดเนี่ยถ้พูดหลักหนึ่งเอามั้ยทำหนึ่งที่ควรกําหนดรู้คือภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสะวะเป็นตัจจัยแกอาาสส่อุปาทานนะภาษาสัสวอุปาทานิโยเนี่ยนะคือภาษะก็คือโลกิยาภาษะทุกชนิดควรกําหนดรู้อสมิมาณนะทุกอย่างควรละ ควรเจริญนะกายยคตาสติอันทอหรคตด้วยความสําราญเนนี่นะก็คือฌานทั้งหลายหรือกายานุปัสนา น, นั่นแหละควรเจริญที่สุดเนี่ยนะอันนี้พูดถึงหมวดหนึ่งหมวดสองทำสองที่ควรกําหนดรู้คือนามันจะรู ป, ปัญจะนามและรูปนามรูปเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้นามรูปเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ทำสองที่ควรละทำสองที่ควรละอวิชากับภวะตัณหา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 ทีนี้ทำสี่ที่ควรกําหนดรู้ละทำสี่ที่ควรกําหนดรู้อาหารสี่ควรกําหนดรู้ทำสี่ที่ควรควรละอะโอคะสี่ควรละทำสี่ที่ควรเจริญสติปัฏฐานสี่เนีนะสติปัฏฐานสี่อาหารสี่โอคะสี่สติปัฏฐานสี่แล้วทำห้าที่ควรกําหนดรู้ปูปาทานขันห้าทำห้าที่ควรละคือ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 วิญญาณทิฏฐิเจ็ดทำเจ็ดที่ควรละคืออนุสัยเจ็ดทำเจ็ดที่ควรเจริญคือโพ่อชงเจ็ดทำแปดที่ควรกำที่ควรกําหนดรู้คือโลกกระทำแปดทำแปดที่ควรละคือมิจฉาตแปดทำแปดที่ควรเจริญคืออริยมรตมีองแปดทำเก้าทำเก้าบ้างทำเก้าที่ควรกําหนดรู้คือสัตตาวาสเก้าทำเก้าที่ควรละคือ ตันหาเป็นมูลเก้าทำเก้าที่ควรเจริญคือปาริสุทธิประธานนยังพระเก้าเราองค์แห่งความเพียรเป็นเครื่องบริสุทธิ์เก้าทำสิบที่ควรกําหนดรู้คืออายตนะสิบทำสิบที่ควรละคือมิฉตะสิบทำสิบที่ควรเจริญคือกเกษนาอายตนะเรียบอกเกิดแห่งเกสินสิบเนี่ยจริงอะทำหนึ่งที่ควรกําหนดรู้คืออะไร ภาษาเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะทำสองคือนามรูปทำสามคือเวทนาสามทำสี่คืออาหารสี่ทำห้าคืออุปาทานขันห้าทำหกคืออายตนะภายในหกทำเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดทำแปดคือโลกะทำแปดทำเก้าคือสตาวาสเก้าทำสิบก็คืออายตนะสิบจริงก็อันเดียวกันนะะมาผ่ามันจุพันเยอะอ่ะ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 ทำสิบที่ควรละคือมิชตะสิบทำหนึ่งที่ควรเจริญคือทำหนึ่งที่ควรเจริญคือกายคตาสติสหรคตด้วยความสําราญทำสองที่ควรเจริญคือสมถะและวิปัสนาทำสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามทำสี่ที่ควรเจริญคือสติปัฏ ฐ, ฐานสี่ทำห้าที่ควรเจริญคือสมาธิมีองค์ห้าทำหกที่ควรเจริญคือ อนุสติหกทำเจ็ดที่ควรเจริญคือพ่ชงเจ็ดทำแปดที่ควรเจริญคืออริยมรรคมีองค์แปดทำเก้าที่ควรเจริญก็คือองค์อันเป็นประธานแห่งความบริสุทธิ์เก้าทำสิบที่ควรเจริญก็คือกสินสิบนี่มาค่อยๆดูคําอธิบายตามลําดับมานะทำหนึ่งที่ควรเจริญมาดูข้อความในอัตถกาถาหน้าเก้าอธิบายข้อหกสิบเจ็ด ทำสรุปนะ ท, ทับขับทำหนึ่งที่ควรเจริญก็คือกายคตาสติที่สหรคตด้วยความสําราญบทว่ากายคตาสติคําว่ากายคตาสติคืออะไรคือสติที่สัมปยุทธ์ด้วยการมณสิการถึงอานาปานาสติอิริยาบทอิอิริยาบทสีอิริยาบทเล็กน้อยอาการสามสิบสองข้าสี่ป่าช้าเก้าและก็ ก, การกําหนดสิ่งปฏิกูล อันนี้ยกข้อความมาจากกายคตาสติสูตรบ้าง น, นะยกมาจากข้อความในสติปัฏฐานสูตรหรือกายคตาสติสูตรเราแบ่งตามบัพพระบัพพะทั้งหลายถ้าสติปัฏฐานสูตรเนี่ยบัพพระที่หนึ่งอานาปานสติบัพพะที่สองอิริยาบถบัพพะสามสัมปชัญญะบัพพระอิริยาบถเล็กน้อยก็คือสัมปัชชะญะบัพพะเสร็จแล้วก็ต่อด้วย อาการสามสิบสองท่าสี่แล้วก็ป่าช้าเก้าอันนะพวกนี้อยู่ในกายคตาสติสูตรนั้นใครที่เจริญแล้วก็มานัศการโดยความเป็นปฏิกูลก็สามารถที่จะได้ฌานการกล่าวถึงกายคตาสติเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านี้ก็คือกายานุปัสนาสติปฐานนั่นแหลนนะะกายานุปัสนาสติปฐานหรือกายคตาสตินนะคกว่าสติที่เป็นไปในกาย โดยอานาปานะอิริยาบถและก็สัมปชัญญะอาการสามสิบสองท่าสี่ปาช้าเก้าหรือปฏิกูลมนาสิการการกําหนดโดยความเป็นของปฏิกูลคือสรุปว่าจะมนาสิการโดยวิธีการใดๆก็ตามที่สุดของการมนาสิการเหล่านั้นก็คือเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ในความเป็นเป็นของปฏิกูลเนี่ยนะเป็นของปฏิกูลเป็นของที่หน้า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 อันตัวสติหรือคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากการพิจารณากายดังกล่าวไปแล้วนี่แหละเรียกว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญธรรมหนึ่งที่ควรเจริญไม่ใช่เจริญตัวรูปนะกายยคตาสติไม่ใช่เจริญกายแต่เจริญสติที่มีกายเป็นอารมณ์กายเป็นยยะสติเป็นยาณะอนันนะกายยคตาสติก็คือกายเป็นสิ่งที่ควรกาหนดรู้สติเป็นสิ่งที่ควร เจริญแต่ว่าเจริญโดยการกำหนดรู้กายโดยการพิจารณากายเนี่ยนะปัญกายคตาสติคือสติที่สัมปยุตด้วยรูปประชานถ้าเอาแบบสูงสุดเลยนะนกายคตาสติตรงนี้หมายเอาสติที่สัมปยุตด้วยรูปประชานสาตะสหคตาสหรคด้วยความสำราญมันกายคตาสติที่สัมปยุตด้วยฌาน ปกติแล้วกายคตาสติเนี่ยนะมันแบ่งออกเป็นระดับวิปัสนาและระดับฌานกายคตาสติแบบวิปัสนาก็มีเพราะกายคตาสติที่เกิดร่วมกับอนุปัสนาทั้งหลายพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงในกายกับกายคตาสติที่เกิดร่วมกับฌานนั้นคําว่ากายคตาสติเนี่ยนะทั้งโดยฌานทั้งโดยโดยวิปัสนานี่แหละคือธรรมที่ควรเจริญแต่ตรงนี้เน้นพิเศษคือ โดยฌานกายคตาสติที่เป็นฌานเป็นธรรมที่ควรเจริญแต่ถ้าพูดถึงฌานก็เท่ากับพูดวิปัสสนาเพราะยังไงสองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของคู่กันไม่สามารถจะพลาดจากกันได้เพราะถ้าใครเจริญพลาดเมื่อไหร่ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะทีนี้เน้นพิเศษคําว่าสหรคตด้วยความสําราสติที่ประกอบด้วยความสําราเนี่ยคือเป็นภาวะที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเป็นต้นกับความสําราญ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 มนัสิกามโดยอสุภะจนมีความสุขกับการเจริญพวกนี้ก็เป็นความสุขที่ไม่มีโทษเป็นความสุขที่ควรเจริญส่วนต่อไปก็สหสัคตะศัพท์ในพระไตรปิฎกสหัคตะเนี่ยนะสหสหรคตอ่ะที่แปลว่าสหารคตเนี่ยมีห้าความหมายที่พบในพระไตรปิฎกผมก็ยกมาให้ดูหนึ่งตับภาวะสองโวกิ น, นะสามอารัมณะีนิสยาห้าสังสัทธะเนี่ยนะก็แรกเขาบอกว่า ตับภาวะก็คือกำหนัดด้วยความพอใจโวกินนะก็เจืออารมณะแปลว่าอารมณ์นิสยะหมายถึงนิสัยสังสัทธะก็ความเกี่ยวข้องแล้วก็ยกตัวอย่างมาให้ดูหนะึ่งสองสามสี่ห้าดังกล่าวไปผ่านทีนี้คำว่าสหรคตในที่นี้ประสงค์เอาอะไรหน้าสิบบอกว่าไอห้าข้อนี้เอาข้อสุดท้ายเอาข้อเดียวคือความเกี่ยวข้องคือสังสัทะสังสัทะ เพราะว่าสติที่เกี่ยวข้องสหรคตตัวเนี้แปลว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องด้วยความสําราญที่เรียกว่าสังสัทธะเนี่ยนะท่านกล่าวว่าสาตสหคตาสหรคตแปลว่าเกี่ยวข้องด้วยความสําราญจึงอยู่สติที่เกี่ยวข้องด้วยความสําราญนั้น่ะเว้นจตุตฌานในฌานที่เหลือย่อมเป็นสาตสหคตาสหรคตด้วยความสําราญแปลว่าสติที่สหรคตด้วยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานนี่แหละ สติอันนี้ที่เกิดในปฐมฌานทุติยฌ า, านตาติยฌ า, านนี่แหละชื่อว่าเกี่ยวข้องกับความสําราญหรือสหรคตด้วยความสําราญเพราะไอส้สาตตะตัวนั้นแปลว่าความสุขนะสหรคตด้วยความสุขเป็นความสุขที่หวานชื่นกับฌานในจิตทั้งหลายเนี่ย น, นะสติที่เกิดร่วมกับฌานนั่นแหละแม้เมื่อสติสหรคต ด, ด้วยอุเบกามีอยู่โดยมากท่านก็กล่าวว่าสาตสังกตา อีกอย่างหนึ่งเพราะจตุตฌานเป็นมูลของปุริมชฌานอันท่านกล่าวถึงสติสหร๊กตด้วยอุเบกขาบ้างเพราะสหร๊กตด้วยความสําราญบ้างก็เมื่อความสุขมีอยู่ด้วยอุเบกขาสติจึงชื่อจึงเป็นสาตาสหากตาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุนั้นจึงเป็นอันท่านกล่าวถึงสติสัมปยุทธ์ ด, ด้วยจตุตฌานด้วยจช่นก็อธิบายอ่ะนะแต่ถามว่าพูดให้มันเข้าใจง่ายๆได้ไหมบอกได้ แปลว่าอะไรแปลว่าสติที่เกิดร่วมกับฌานหนึ่งสาสี่นั่นแหละแค่นี้ท่านอยากให้เรารู้แค่นี้แหละพูดมาตัเยอะเลยนะว่าสติที่เกิดร่วมกับฌานที่หนึ่งกับจะเกิดร่วมกับฌานที่สองกับฌานสรุว่าฌานหนึ่งสองสามสี่ที่มีอสุภะเป็นอารมณ์นั่นแหละเรียกว่ากายคตาสติสหรคต ด, ด้วยความสําราญอันนี้ควรเจริญมากนะ น, นก็คิดดูนะว่าเป็นความสงบที่ได้จากอาสุภะเนี่ยนะความสงบที่จริงๆถ้าโดยอสุภะมันได้แค่ฌานที่หนึ่งเท่านั้นแต่ว่า โดยกสินเนี่ยจะได้ถึงฉานสีนะโดยกสินเนี่ยนะเช่นอนีละกระสินกระสินสีเขียวเนี่ยจะได้จากอะไรได้จากผมได้จากผมได้จากตาดําได้จากตรงไหนที่มันเกี่ยวอที่ดําำทั้งหลายเนี่ยเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็สามารถจะเข้านีละกรสินได้ถ้าเป็นปีตะกะสินสีเหลืองตรงไหนตรงตาเลือดเหลืองอะนะที่ดวงตาเลือเหลืองมีไหม มีบางคนเนี่ยออกตาเลืองๆหน่อยตรงไหนอีกอตรงน้ำดีเนี่ยนะน้าดีก็ออกเลืองๆหน่อยใช่ไหแล้วก็มันข้นมันข้นก็จะออกสีเลืองๆหน่อยพิจารณามันข้นเป็นต้นพวกนี้ก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีแดงสีแด ง, แดงจากเลือดจากเนื้อริมฝีปากอะไรเป็นต้นก็จะออกเป็นสีแดงนั้นพวกนี้ก็สามารถเข้ากระสินได้สีขาวสีขาวฟันกับกระดูกเนี่ยนะได้จากกระดูกจากฟัน แต่ว่ากระสินที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่สีแท้ๆมันไม่เหมือนวันละกระสินแบบๆเขาจึงมีเขามีสองอย่างอนะกอกสินที่ใส่ใจว่างามงามงามงามพวกนี้เป็นจะเป็นกสินภายนอกเขียวก็เขียวลุ่นลุ่นแดงลุ่นลุ่นขาวลุ่นลุนเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นกระสินที่อยู่ภายในเนี่ยนะกสินที่ภายในเนี่ยจะเป็นกระสินที่ไม่บริสุทธิ์เป็นกระสินที่ไม่บริสุทธิ์เช่นสีเขียวก็ อย่างเช่นก็ไม่บริสุทธิ์แท้เนี่ยนะสีขาวก็ไม่ขาวแท้สีเหลืองก็ไม่เหลืองแท้สีแดงก็ไม่ถึงกับแดงแท้นะเพราะอะไเพราะมันเจือด้วยอย่างอื่นๆเพราะฉนอฌานที่มีผมขนเล็บเป็นต้นเป็นอารมณ์แล้วใส่ใจโดยวันณะกสินได้ฌานที่หนึ่งสองสามสี่สติที่เกิดร่วมกับฌานที่หนึ่งสองสามสี่นี่แหละเรียกว่ากายคตาสติที่สหรคต ด, ด้วยความ สำราญให้พิจารณาก็เรว่าเจริญฌานโดยที่มีรูปเหล่านี้เป็นอารมณ์นี่แหละเป็นธรรมหนึ่งที่ควรเจริญเนี่ยนะควรเจริญทีนี้ถ้าใส่ใจได้ฌานด้วยอํานาจกสินหรือด้วยอํานาจอสุภะได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยที่จะพิจารณาตามเห็นกายด้วยความเป็นของไม่เที่ยงยากไหมไม่ยา ก, ยากใครที่กําหนดผมแล้วเข้าฌานได้เนี่ยนะไปที่ไหนมันเห็นแต่ผมหมดอล้เชื่อเหรอ ใครที่คิดเรื่องผมมากๆนะไปที่ไหนจะเห็นแต่เส้นผมหมดเลยถ้าใครที่คิดถึงเล็บมากๆไปที่ไหนก็จะเห็นแต่เล็บใครที่คิดเรื่องกระดูกมากไปที่ไหนก็จะเห็นแต่กระดูกพรอมที่ไหนมันทนจากกระดูกมีไหมปลากระป๋องยังมีกระดูกเลยนะเอามีกระดูกได้ทุกหนทุกแห่งนะทั้งเรื่องเนาะเพราะั้นถ้าสายใจโดยกระดูกเห็นภูเขาก็เห็นเป็นกองกระดูกได้หมดสรุปว่าเห็นทุกอย่างเห็นเป็นกระดูกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจริญได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เจริญอย่างเงี้ยพระองค์จึงสอนให้ กระหเจริญชานเหล่านี้นะเช่นเจริญอันเดียวก็ยังดีอะไรนะกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกอธิกะอธิอธิอธิแบบแบบอะไรนะนกแขกเต้าใช่ไหมนกแขกเต้าสายใจกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกระดูกข้ากระดูกกระดูกจะไปจัดกระจายเรี่ยวแรงอยู่ที่ไหนนาะเนี่ยนะกระดูกเหล่านี้จะไปกระจายกระจายเรี่ยวแรอยู่ที่ไหนนาะไปเออตามวัดนี่เห็นชัดเลยสร้างเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกสูงเป็นชั้นๆเหมือนคอนโดเลยนะเป็นวง เข้าไปจะไปอยู่ชั้นไหนบางแห่งในกำแพงวัดเนี่ยมีเต็มทั้งกำแพงเนี่ยไปไปที่ชัยนาธนี่เห็นชัด่ะกำแพงวัดตรงวัดพระาธาตุนั่นน่นะกำแพงวัดเนี่ยเป็นซุ้มเป็นเป็นชั้นๆเนี่ยใส่ได้อีกเยอะเนี่ยนะแต่เชื่อเถอะเขาไม่ไดเอามาใส่หมดหรอกเขาเก็บกระดูกเก็บมานิดเดียวนะที่เหลื อ, อไปทิ้งหมดเลยนะปัดทิ้งหมดบางทีก็ เ, เก็บเอามาแค่เล็กๆน้อยๆทานทนาการเก็บพอมาเป็นพิธีแค่นั้นเลยแล้วก็ไปวางไว้เขาไม่ได้เอาาเก็บกระดูกเรามาทั้งหมดนะเอาไปทิ้งซะ สมมติ ก, กระดูกเนี่ยมีมีหนึ่งถังเนี่ยเขาเก็บมาแค่ลิปเดียวเก็บมานิดเดียวเขาไม่ได้เก็บเอาทั้งหมดอ่ะนะที่แล้วก็ถ้าเป็นแบบอีสานหรือภาคบางภาคชนบทเขาจะฝังดินทิ้งหมดเลยเขาจะเก็บเอามาหน่อยหนึ่งพอใส่เพออบใส่อะไรนะี่ขวดโหลใส่อะไ ร, ส, ะไรสักอย่างหนึ่งแต่วันก่อนไปเจอที่ลอยใส่หม้อลอยน้ำมาเลยทุกป่องทุกป่องมันมนัมาแตกลง <c oughs> ที่มันก่อนไปปล่อยปลาไปปล่อยปลาที่เชียงราย แม่น้ํากกแล้วก็ไปไปก็เห็นเนี่ยกระดูกขาวโผลข่ข้างๆแล้วก็หมอ้อแค่หม้อแม่นากระนะแตกเต้มไปหมดเ <laughs> โอเต้มมาทั่วไปหมดเลยไปที่ไหนถ้าที่เรื่องกระดูกเยอะไปที่ไหนก็เห็นแต่กระดูกกันแล้วเขาบอกว่าเห็นแต่ยิ้มยังเห็นกระดูกไปเลยก็ได้มองยิ้มอะไรนะยิ้มฟันขาวก็มิญญาพระพิสูุรูปนึ่งเจริญอาธิกาสัญญาเป็นปกติใช่ไหมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหัวเราะก็เลยมองเห็นกระดูกวิ่งเดินไปได้เลยกันนี้ ไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเห็นแต่กระดูกเดินไปได้นะเพราะถ้าเจริญอย่างนั้นบ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะมีความสุขนะถ้าจะหาความสำราญหาความสุขจริงๆก็ควรจะหาความสุขจากการเจริญแบบนี้เพราะอะไรเพราะการเจริญแบบนี้เนี่ยนะไม่มีโทษเป็นไปเพื่อความสุขพระเทรรรูปหนึ่งท่านบอกว่าถ้าท่านขอพรได้แล้วพระพุทธเจ้าให้พรจริงให้พรได้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 เพราะว่าการเจริญกายยคตาสติที่สหรคตด้วยความสำราญโดยอสุภะเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้แหละจะเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์แสดงในในอังคุตรนิกายเอกรานิบาตเลยว่ากายยัคตาสติเนี่ยนะที่ผู้ใดเจริญแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าดื่มอมาตะแล้ว น, นะเพราะว่าการเจริญแบบนี้เป็นตัดใจเพื่อบรรลุอมาตะคือพระนิพพานได้นะี่นะ ในในหลักการเราเนี่ยพระในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะใครที่เข้ามาบวชทุกคนถือว่าต้องผ่านตะจะปัญจกะกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยนะนาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจในะท่านจะสอนเลยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจแล้วก็บอกวิธีการคิดวิธีการพิจารณาไม่ใช่น้อยเลยโกนผมเสร็จแล้วบรรลุหมดเลยนะบรรลุเยอะมากถ้าผู้ที่มีวาสนามีอุปนิสัยสั่งสมบุญมาดีในพระพุทธศาสนาในของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน มันพอฟังคําว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นมนุิการโดยประการต่างๆก็บรรลุได้ทีนี้ของเราทั้งหลายเราถ้าเราไม่สังสมเอาไว้ให้ดีตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้คิดหรือว่าเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วเราจะคิดผมขนเล็บปันหนังคิดเหมือนกันแต่คิดว่างามแล้วคิดตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมก็บอกว่าถ้าคิดว่างามเป็นสาวกของมารถ้าคิดว่าไม่งามเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดูว่าวันๆหนึ่งเราสาวกของใคร่ะนะ ของยอมบอกชัดค่อยชัดคำเลยว่าของมารยอมก็บอกว่าถ้าใส่ใจว่าบองงามมันกินข้าวบวล้ํเขาว่ากันแต่ว่าถ้าใส่ใจอสุภาพมากๆมันกินเข้าไม่อร่อยเขาว่างันอ้าก็อะไรก็จะได้ลิ้นหลายแฉกมั้งมันถ้าก็อย่างว่านะถ้าอร่อยเท่าไหรก่ก็คิดเอากันแล้วกันว่าทํำสามที่ควรละคืออะไรตันหาสามถ้าตันหามันลดอีกก็เดือดร้อนอีกแล้ว สัพเพสัตตนี้สัตตามแปลว่าอะไรสัตตะสัพเพแปลว่าทั้งปวงสัตมนแปลว่าอะไรสัตตผู้คล่องในขันห้าบอกเออนี่แหละผู้คล่องในขันห้าก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเลิกคล่องในขันห้าเมื่อไหร่ก็แห้งแล้งเลยนะชีวิตนี้อับเฉาแล้วถ้ามันคล่องเมื่อไหร่แหมมันมีความหวังนี่มีความหวังในขันห้านี่มันทุ่มเทเต็มที่พอบอกว่าเริ่มจะหมดหวังในขันห้าเริ่มผิดหวังกับขันห้าเมื่อไหร่ก็แห้งแล้งเงียเงาเนี่ยนะ กลับต่อไปว่าทำสองที่ควรเจริญคือสมถโธจะวิปัสสนาจะสมะถะและวิปัสสนาสมะถะนั้นแปลว่ายังทำที่เป็นข่าศึกให้สงบทำค่าศึกให้สงบเนี่ยนะหรือทำค่าศึกให้หมดไปเรียกว่าสมะถะหรือสงบจากค่าศึกคนคนที่ศึกษาสมะถะไม่ดีเนี่ยไปแปลสมะถะวันนิ่ง ลึกเาเลยเขาบอกลึกมากนิ่งแต่จริงๆอะคําว่าสมถะแปลว่าสงบกามะชันทะสงบพยาบาทสงบทีนมิทะสงบอุทะจะกุกุจะสงบวิจิกิจชาความสงบนิวรห่านั่นแหละเรียกว่าสมถะสมถะแปลว่าความสงบนิวรห่าหรืออีกในหนึ่งเขาบอกวความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตเนี่ยก็ได้นะความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตก็เรียกว่าสมถะแต่สมถะที่ประสงค์ในที่นี้คือสงบนิวณห่า ตัวสมถะเนี่ยนะเอ่อมันคือเอกคตาใช่ไหมโดยโดยโดยความมุ่งหมายจริงๆคือเอกคตาเอกคตาอยู่ๆแล้วมันโตขึ้นได้เองเลยไหมไม่มันต้องมีองค์ประกอบองค์ประกอบของเข้าคืออะไรวิตกวิจารณ์ปีติและสุขวิตกวิจารณ์ปีติสุขเนี่ยมันเป็นเครื่องค้ำจุนให้เอกคตาเนี่ยมันดารงอยู่ได้ถ้าไม่มีองค์ประกอบคือวิตกวิจารณปีติสุขยากที่ใจจะตั้งมัน่น คนที่มีใจตั้งมั่นเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมคือเนฆะขมมะวิตกอันนั้นอภยาบาศวิตกอวิหิงสาวิตกแล้วกุศลวิตกเ่าเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดปีติได้รับความสุขนั่นแหละใจจึงจะตั้งมั่นถ้าไม่มีคุณธรรมดังที่กล่าวไปยากที่ใจจะตั้งมั่นเพราะใจที่ตั้งมั่นเกิดจากกุศลวิตกวิจารมีปีติและมีความสุขในกุศลธรรมนะนะสั ง, งัดถ้าเป็น สํานวนพระสูตรทั่วไปก็สงังอาจจากกรรมสังัาจจากากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเนี่ยนะเพราะนั้นะคําว่าเอากขจตาตัวเนี่ยเป็นเป็นความวิเวก ท, ที่ที่ไม่ไม่ลําบาก น, นะด้วยบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเพราะสงบบาปอากุศลธรรมทั้งหลายจึงเรียกว่าเป็นสมถะสมถะเนี่ยเป็นเขตใกล้ของอะไรวิปัสสนาใช่ไหม ที่จริงทั้งสมถะวิปัสสนาบางนัยะบอกว่าเจริญสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังบางแห่งก็สมถะอวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังบางคู่ก็ควบคู่กันไปตรงนี้วิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้งนะนะหรือเห็นทำโดยอาการหลายอย่างด้วยกันหลายอย่างมีอะไรบ้างเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามเห็นโดยความเป็นทุกข์เห็นโดยความเป็นอนัตตานะ อันนี้แหละชื่อวิปัสสนานั้นเป็นชื่อของปัญญารู้ทั่วรู้ชัดรู้โดยประการต่างๆรู้โดยอ น, นิจจังทุกขังและอนัตตาเป็นต้นนั่นแหล ะ, ะเขาบอกรู้โดยอ น, นิจจังรู้ยังไงใครที่เจริญที่ที่เรียกว่าเจริญอะไรนะเจริญรูปสัตกะรูปสตกะเป็นต้นมาดีก็ไม่น่ามีปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังและ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 อย่างนี้หรือเปล่าว่าคิดเรื่องไม่เที่ยงอะไรคิดยังไงอ่ะพันโดย ท, ทั่วไปเนี่ยนะก็บอกว่ า, วารูปเนี้ยควรจะงามอายุสักกี่ปีอีกห้าสิบปีข้างหน้าภาพเหล่านี้จะงดงามไหมสี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเขาค่อยลดลงมาลดลงมาลดลงมาแล้วย่อขยายย่อขยายย่อขยายแบบนี้ก็จะเริ่มเห็นนะว่าเออมันก็ไม่เที่ยงเกิงเพราะคนที่คิดเรื่องไม่เที่ยงไม่ใช่เขาเห็นแค่นั่งทําตาปริบปริปริป ร, ปริเนี่ยก็กรพริบตาเนี่แหละก็เลยไม่เที่ยงเลยเพราะงั้น โอ้ยไอตอนที่เห็นกับตอนที่หลับตาแล้วก็ลืมตาใหม่มันคนละอันแล้วนะเคสยังไงก็คิดตามมใจไม่ค่อยจะยอมรับเลยมันเพราะั้นการที่คิดถึงเรื่องไม่เที่ย ง, นะงเนี่ยเช่นว่าโอ้โหเนี่ยเอ๊ะทุกคนว่าไม่เที่ยงอ่ะเอ้ไหมก็ขยับตัวไปขยับตัวมานี่แหละไม่เที่ยงแต่คิดอย่างนี้แล้วถามมันจะเบื่อนหน่ายจากวัตตาอะไรบ้างก็ขยับตัวเนี่ยนะดีไม่ดีชอบซะอีกที่ขยับตัวเป็นต้นะนะราะนั้นไอ้ไม่เที่ยงเนี่ยพิจารณาอย่างไงก็คิดแบบภาษาริบุตรไปดูละครกันแล้วกันโอ้ยทั้ง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 สิ่งเหล่า น, นี้จะสร้างขึ้นมาได้ยังไงอย่างาเห็นรูปภาพทั้งหลายเนี่ยภาพคืออะไรภาพก็คือกระดาษทาสีแล้วกระดาษทาสีถ้าสีมันลอกล่ะถ้าสีมันลอกแล้วภาพเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรแล้วเหตุปัจจัยให้สีลอกมีอะไรบ้างก็จะเริ่มเห็นแล้วกระดาษมันผุมันเองได้ไหมกระดาษเองมันก็ผุมันเป็นถ้าเจอน้ําเข้าไปเจอความร้อนเข้ามาเดี้ยวกระดาษมันก็ผุมันก็ยุ่ยแล้วร่างกายของเราทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เมื่อยี่สิบปีที่แล้วงามกว่า น, นี้เนี่ยนะ อีกยี่สิบปีข้างหน้าแยกกว่านี้เยอะเนี่ยนะก็เรามาคิดเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะก็มันก็เริ่มแปรไปมันก็เปลี่ยนไปเนั้นในความเป็นอันนี้จังาะฉะนั้นปัญญาจึงเห็นโดยประการต่างๆเพราะฉะนั้นปัญญาที่เห็นโดยความเป็นอันนี้จงังเนี่ยเขาพิจารณาเลยอย่างน้อยที่สุดเริ่มแยกเลยถ้าพิจารณารูปนะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตเริ่มมนาะคิดละอดีตอนาคตปัจจุบันเริ่มเริ่มแยกเป็นการสามเลยนะ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 ลำบากแต่ละคนเนี่ยคิดดูอ่ะดูแลเนี่ยดูแลขันของตัวเองเนี่ยนะมีความสุขมากไหมดีใจไหมที่ได้ดูแลเนี่ยได้รับใช้ผมหวีผมทั้งวันหนึ่งหลายรอบเนี่ยนะมีความสุขมากที่แปรงฟันความสุขมากที่อาบน้ําขัดผิวมีความสุขที่ตัดเล็บมีความสุขที่แล้วก็คิดเอากันแล้วกันนะสุขจริงหรือสบายจริงหรือดูยิ่งดูยิ่งแปลงใหยิ่งดูยิ่งแย่ยิ่งดูยิ่งแก่ก็งั้นยิ่งดูแลยิ่งแก่ขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยนะ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 ไม่มีผู้ใดมีอำนาจจริงอ่ะนะไม่มีใครมีอำนาจจริงเลยนั่นแหละเรียกว่าอนัตตาทั่วในครั้งหนึ่งนะว่าตามเห็นสิ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยนั่นแหละว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะว่าเป็นอนัตตาไม่ได้แปลว่าบังคับบัญชาไม่ได้โดยที่ไม่มีความรู้อย่างอื่นเลยก็มันบังคับบัญชาไม่ได้แล้วไปอธิบายกับทุกเรื่องจบเลยนะถ้าไปอธิบายกับทุกเรื่องเนี่ยนะกล่าวตูคําสอนเลย เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนัน้นแหละเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งน am e. ั้นแหละเป็นอนัตตาที่มันเป็นอนัตตาเพราะมันไม่เที่ยงที่มันเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นทุกขเนี่ยนะแต่ถ้าไปอธิบายอย่างอื่นเลยก็จบเลยเนี่ยนะอธิบายอย่างอื่นก็ไม่ได้อธิบายตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยเอะก็อนัตตาทั้งปีทั้งชาติเนี่ยนะอันพระพุทธเจ้าแสดงอนัตตาระวังมาก นะจะไม่ใช่พวดาพาดแสดงมาง่ายๆอย่างเช่นแม้กระทั่งอนัตตลักขณะสูตรสูตรว่าด้วยเรื่องอนัตตาโดยตรงก็แสดงอย่างระวังดูความพิสูจน์ทั้งมายรูปเป็นอนัตตาถ้าหากว่ารูปจะพึงเป็นอัตตาแล้วไซรูปก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออ า, าพาธและบุคคลย่อมได้ในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เธอรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย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 อัตตาของเราเพราะฉะนั้นแหละภิสูุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่ทเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณี๊ตใกล้ไกล น, นะเธอควรเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงวันนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอาริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป เป็นต้นเ น, นะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ชาติว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนี่นะพันอานาตตาในพระพระ พ, ระพุทธเจ้าตรัสนี้ระวังมากนี่นะไม่ใช่ว่าเ อ, อพิสูจน์ทั้งหลายข้าพระองค์ไปเ อ, อพิสูจน์ทั้งหลายสมมติว่าเขลียทา่าพระพิสูจไปทําความเสียหายมาเนี่ยนะเออก็เป็นอนาตตา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 สิกขาบทข้อเนี้อาศัยอำนาจประโยชน์สิท ป, ประกาศน่นะน ะ, นะสุดปลายเลยว่าอำนาจประโยชน์มีอะไรบ้างแล้วก็บัญญัติสิขาบทว่าพิสูตใดถ้าทําอย่างนี้เป็นอาบัติชื่อนี้ชื่อนี้ถ้าเป็นอาบัติชื่อนี้แล้วต้องแก้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นอนัตตากที่พระองค์แสดงเนี่ยระวังมากไม่ใช่ว่าเอาระดับตีรณะปริญญาหรือระดับหลังกังขาวิตรณวิสุทธิก่อนมคามคายานทัศนะวิสุทธิไปอธิบายกับทุกเรื่องไม่ใช่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 ตรัสรู้พันธะธรรมสองที่ควรเจริญคือสมถะกับวิปัสนาเนี่ยนะสมถะวิปัสนาสมถะ ว, วิปัสนาตรงนี้ถ้ากล่าวตามทัสน์ตรัสูตรท่านบอกว่าเป็นบุปผาคแปลว่าเบื้องต้นสมถะเบื้องต้นวิปัสนาเบื้องต้นคำว่าต้นแล้ว อ, อะไรปลายอ่ะอ้าวถ้ามีต้นแล้วมันต้องมีปลายใช่ไหมและอะไรคือปลายโลกิยะเป็นเบื้องต้นโลกุตระเป็นเบื้องปลายเนี่ยนะมรคล่างๆเป็นเบื้องต้นมรคเบื้องบนเป็น เบื้องปลายแต่ตรงนี้หมายถึงว่าเบื้องต้นคือโลกียะเบื้องปลายคือโลกุตระนั้นสมถะวิปัสนาในถ้าสุตระสูตรนั้นเป็นโลกียะถ้าเป็นโลกถ้าเป็นสังคีตะสังคีติสูตรก็เป็นทั้งโลกียะและโลกุตระนี่ยนะคันทำสองที่ควรเจริญคือสมถะกับวิปัสนาเนี่ยนะนี่ถามว่าการเจริญสมถะวิปัสนาเนี่ย น, นะก็ จเจริญเพื่อให้อะไรจริงๆอุปวัตถุประสงค์เนี่ยทำยังไงทั้งสมถะทั้งวิปัสนาจะสัมปยุต์กันแล้วตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยนะเป็นสมาธิให้ให้ตั้งมั่นเลยนะเพราะสมาธินั้นเป็นความตั้งมั่นสมาธิที่ทำสามที่ควรจเจริญคือสมาธิอายอ้อนกลับมานะคะบอกว่าคนที่ศึกษาอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วนะถ้าเขากิจที่เขาควรจะทําต่อไปคืออะไร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 สมาธิมีวิตกมีวิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงแต่วิจารกับสุดที่สามก็คือสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีทั้งวิจาร์สมาธิที่มีวิตกคืออะไรสมาธิเนี่ยทัวรนอีกครั้งนะสมาธิเขาแบ่งเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธินี่ชื่อว่ามีวิตกอุปจารสมาธิก็มีวิตก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 สมาธิพร้อมด้วยวิจารณชื่อว่าสวิจารโรก็แปลว่าสมาธิที่เกิดพร้อมกับวิจารณเกิดร่วมกับวิจารณสัมปยุติกับวิจารณสมาธินั้นแบ่งออกเป็นระดับอะไรคณิกะสมาธิอ่าและคณิกะสมาธิอะไรคณิกะสมาธินั่นแหละเป็นวิปัสนาสมาธิวิปสมาธิเห็นแจ้งการเจริญวิปัสนาทั้งหลายเนี่ยนะวิปัสนาเนี่ยมีสมาธิขออภัยวิปัสนานี่มีวิตกเป็นสหาย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 คนที่มีตาเนี่ยนะก็ต้องอาศัยมือใช่ไหมวิตกเปรียบเหมือนมือวิปัสนาเหมือนกับตาอวิปัสสนานั้นจําต้องมีตกเป็มีวิตกเป็นสหายเนี่ยนะเป็นสหายจึงสามารถทํากิจของตนของตนได้ดงั้นวิปัสสนานั้นจําต้องอาศัยวิตกวิจาร์เนี่ยนะคล้คาคลอพินิจพิจารณาไค้ครวนไปตรึกไปวันวิตกเนี่ยบางทีการตรึกเนี่บางทีเขาใช้คําว่าคําว่าอลักขณูปนิชฌานใช่ไหม ลักโณูปนิชฌานคือการเพ่งนะชาญคือการเพ่งเพ่งไข้ครวญพินพิจารณาแยกแยะตรึกไข้ครวญพระปัญธาตุริตกตรึกเท่าใดปัญญาก็พิจารณาได้เท่านั้นปัญหามันไม่ยอมตรึกนี่สิมันใช้ถ้าอย่างนี้ดีไหมวันวันหนึ่งนั่งเฉยเฉยวันวันทําทุกอย่างให้มันเสร็จจะได้ไปนั่งเฉยเฉยอย่างงี้ยนะดีตรงไหน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 เป็นไปพร้อมกับการตรึกเป็นไปพร้อมกับการพิจารณาเป็นไปพร้อมกับการใคร่ครวญจํำเนกแยกแยะเนี่ยนะเพราะวิปัสสนาสมาธิเนี่ยจะต้องแยกแยะถ้าถ้าเป็นสมาธิคณิกะที่เป็นเช่นการเจริญเมตตาจะต้องใคร่ครวญขนาดไหนใช่ไหมจะต้องใคร่ครวญขนาดไหนเมตตาจึงจะเป็นอั ป, ปนาได้เพราะฉะสมาธิเนี่ยทั้งอุปจาระคณิกะ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 อารูปประชานต่อไปอีกนั้นคณิกะสมาธิอย่างไรจึงจะคู่ควรต่ออุปจารสมาธิที่เรียกว่าสมาธิเฉียดเฉียดต่อฌานอุปจารสมาธินี่แค่ไหนจึงจะคู่ควรแก่ปฐมฌานเขาจะมีลําดับนี้ไ่มคะคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วปฐมฌานแล้วก็มานับหนึ่งใหม่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและจึงจะขึ้นทูติยะฌาน แล้วก็พอได้ทุติยชาในชำนาญคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิที่เป็นตติยชาแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ฉนั้นจึงมีการเพิ่มอย่างนี้ตลอดเวลาจึงจะคู่ควรแก่การบรรลุอริยมรรคเนี่ยนะจึงจะคู่ควรนั้นไอคณิกะสมาธินั้นจึงถือว่าเป็นสําคัญเป็นสะพานเบื้องต้นเนี่ยนะสะพานเบื้องต้นเหมือนกันฉะนั้นก็คณิกะสมาธิการพิจารณาถึงจะชั่วขณะ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 เป็นสิบนาทีเช่นสมมติว่าปกติเนี่ยยังกําหนดลมหายใจทั่วๆไปคณิกะก็ห้านาทีอะไรนะหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่องอื่นหมดแล้วทํายังไงให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกได้หนึ่งนาทีสองนาทีได้สิบนาทียี่สิบนาทีได้เป็นชั่วโ ม, มงอนะคณิกะแต่ว่าเป็นคณิกะที่มาเรียงแล้วให้มันยาวขึ้นเขาบอกว่าเส้นตรงคืออะไรก็คือจุดลหลายๆจุดที่มาเรียงกัน เ, นเรียกว่าเส้นตรงไะเส้นตรงก็คือเอาจุดอ่ถ้าแยกๆลงมาแล้วก็คือจุดเล็กๆเๆที่เอามาเรียงๆกันเรียกว่า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 ตัดวิตกออกไปเรียกว่าทูติยะฌานเนี่ยนะปฐมฌานมีทั้งวิตกวิจาร์ทุติยะฌานเอาวิตกออกตัดวิจารเอาวิจาร์ออกเนี่ยนะก็จตุทชฌานละทั้งวิตกและวิจารไหมเจริญอัปปนาเจริญเมตตาให้เป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิพอเป็นอัปปนาสมาธิก็มีทั้งวิตกวิจารแล้วก็ตัดวิตกออกไปแล้วก็ตัดวิจาร์ออกไปให้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารเนี่ยนะ นยะอื่นๆก็นยะเดียวกันเนยนะเพราะว่าสมาธิมีวิตกเมตตากรุณามุทิตาก็เป็นเป็นอย่างนี้นะหรือกสินหรืออานาปานสติเป็นต้นก็ให้เป็นภายในลักษณะเดียวกันให้เป็นสมาธิอันนะโดยคณิกะอันนคะณิกะเป็นอุปจาระเป็นอัปปนาอัปปนาปฐมฌานสมบูรณ์ทั้งวิตกวิจารอันนะแล้วก็ทุติยฌานเอาวิจารออกตัติตยฌานเอาวิททุติยฌานเอาวิตกออกตัติตยฌานเอา วิจารณออกไปก็เป็นสมาธิในลักษณะนี้เพันสมาธิทําเราเนี่ยพระองค์สอนให้เจริญเป็นธรรมที่ควรเจริญสมาธิสามเป็นธรรมที่ควรเจริญนะสมาธิทั้งอุปณิกะสมาธิก็เจริญบ้างเถอะให้มันเป็นไปกับอะไรนะอย่าไปเบื่อคณิกะมันจะเล็กน้อยก็เจริญบ้างเถอะเนี่ยนะเมตตาถึงจะอะไรนะพพุทธเจา้าบอกว่าชั่วพโบราณเข้าใจว่าช้างกระเดกหูงูแลบลิ้นเขาว่ากันนะ แผลบก็ยังดีอ่ะให้มันมีบ้างเถอะมันไม่ใช่ว่าแห้งแรงแล้วก็อะไรนะให้มันเกิดโดยอัธยาศัยไม่เกิดหรอกรเพราะคนที่สุทธิจาสอนให้เจริญเมตตาคนประเภทไหนพวกองสอนคนขี้โกรธคนขี้โกรธแล้วไปร้องเรียกหาเมตตาจากคนขี้โกรธได้ไหมยากอันนี้แหละที่มาต้องเจริญที่จะต้องเจริญเนี่ยนะทํายังไงจะได้เป็นได้บ่อยเป็นได้มากแล้วก็เป็นได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะตอนแรกก็จากไม่มีให้มันมีขึ้นก่อนที่มีขึ้นแล้วพัฒนา คุณภาพให้มันยาวขึ้นจากพัฒนาจากให้มันยาวขึ้นอะไรที่มันยาวอยู่ทํายังไงเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพเพิ่มจากปริตตะเป็นมหคตะเนี่ยนะจากมหคตะเป็นอุปนิสัยแก่อัปประมาณนะก็ต้องเพิ่มพูนคุณภาพอยู่อย่างนี้บ่อยๆและเรื่อยๆเนี่ยนะแต่ก็อย่าลืมนะเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปภาคย์ยธรรมจะรู้ว่าพวกจเจริญสมาธิบางประเภทหาณนะภากยะ บางพวกเป็นวิเศษติภาคยะบางพวกเป็นวิเศษสะพาคยะบางพวกก็เป็นนิเาพธภาคยะเขาก็มาแบ่งประเภทอีกครั้งหนึ่งนะไอตอนแรกทําให้มันมีขึ้นไงนนะมีแล้วให้มันยาวเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพเพิ่มความชํานาญเขาบอกว่าสีะนะเพิ่มเพิ่มชํานาญเป็นต้นเสร็จแล้วก็มาแบ่งว่าคุณภาพของสมาธิเราเนี่ยเป็นประเภทไหนเป็นต้นอันในรายละเอียดของสมาธิเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นสิก ข, ขาหนึ่งสิก ข, ขาเรียกว่า อธิจิตตสิกขาเนี่ยนะเป็นอธิจิตตสิกขาเป็นจิตอย่างยิ่งก็คือเพิ่มคุณภาพจิตไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพิ่มคุณภาพอย่างเช่นออย่างปกติโดยปกติวิสัยโดยมากก็อากุศลสิบสองเพิ่มคุณภาพอแปลคุณภาพกรรมจัดเหล่านั้นให้เป็นมหากุศลเพิ่มขึ้นแล้วมหากุศลอาจจะแรกๆดวงที่เจ็ดวงที่แปดเห็นไะหรือไม่ก็ดวงที่ห้าดวงที่หกยังไงนะดวงที่ห้าดวงที่หก หรือไม่ก็เครียกว่าประเภทอะไรนะอ่ะสะสังขาริกชวนชวนกว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งถูกชวนสนํมมติว่าถูกเกลี้ย ก, กล่อมมากเหลือเกินกว่าจะทําอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะอย่างฟังธรรมนี่ต้องเกลี้ย ก, กล่อมขอร้องแล้วขอร้องอีกกว่าจะไปได้เนี่ยนะพวนี้สะสังขาริกแรกๆ ก, ก็โอสะสังขาริกด้วยยา nawipayud ไม่รู้เรื่องเลยทนทนทนทนพวนี้เป็นญา nawipayud อตอนแรกสังขาริกถูกชวนมากเลยในชะ่ไ้ยเสร็จแล้วก็ฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นยาณวิทประยุทธ์ทีนี้เพิ่มคุณภาพยังไงให้เป็นอสังขาริกได้แล้วทํายังไงจะเพิ่มเป็นญาณสัมประยุทธ์ได้ก็ค่อยๆพัฒนาคุณภาพนะค่อยๆอะไรจากประเภทอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาที่ไม่มีปัญญาประกอบถูกชวนมากมาไม่ต้องมีใครชวนและไอ้ที่ไม่มีใครชวนและมีปัญญาประกอบมีปัญญาประกอบแบบไม่มีใครชวนอย่างไรค่อยๆ พัฒนาขึ้นจนเป็นคัดเหลือแต่มหากุศลดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองนะก็คือแต่เน้นพิเศษก็คือดวงที่หนึ่งนะมหากุศุญาณสัมปยุทธไม่มีใครชักชวนแต่็จแล้วก็ชักชวนตัวเองแล้วค่ะนี่ย่างไม่มีใครชักชวนอะหันมาชวนตัวเองให้ให้ปัญญาร้องเรียกหาปัญญาให้ปัญญาเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพสูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อปัญญาเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพจากคณิกะอย่างนี้ให้เป็นอุปจาระสมาธิ จากอุปจาระอย่างเงี้ยเพิ่มยังไงให้มันเป็นอัปปนาให้มันมั่นคงยิ่งๆขึ้นไปเมื่อเป็นอัปปนาอย่างไรเนี่ยนะยังไงจึงจะเป็นอะไรนะเพิ่มปริมาณกําจัดวิตกออกไปยังไงกําจัดวิจารออกไปอย่างไรเพราะสมาธิระดับผสมฌานละนิวรณ์ระดับทุติยะฌานล้วละละวิตกตัติยะฌานละวิจารเจตุทะฌานละปีติเนี่ยนะมันค่อยๆกาจัดออกไปเรื่อยๆอย่างเนี้ย จนเรีกว่ากำจัดเรีว่าในที่สุดทำลายไม่มีเหลือเลยออกจากวัตตะได้หมดเลยเนี่ยนะออกจากสังคตะได้ทั้งหมดก็ไปลองฝึกเจริญดูกันแล้วกันนั่ะถ้าไม่เจริญถ้าไม่เจริญก็ไม่เป็นไรก็มเห็นว่าอะไรเนะี่ยก็อยู่มาตั้งนานแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเอาถ้าเราไม่เจริญอ๋ะเราก็อยู่ของเรามาตั้งนานแล้วไม่ได้ศึกษาเราก็ยังอยู่ได้เลยใช่ไหมในวัตตะเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็ พระพุติจ้าหน้าสงสารหรือเราหน้าสงสารนะ <Cub> ก, ก็ดูเอานะใครหน้าสงสารก็ว่ากันไปอีกในหนึ่งถ้าบอกว่าสมาธิสามคือสุญญตะสมาธิอนิมิตะมะตะสมาธิและอปปนิหิตตสมาธิเนี่ย น, นะสุญญตะสมาธิคือสมาธิที่ว่างจากโรคะราคะโทสะและโมหะอนิมิตตะสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิต อัปปณิหิตะสมาธิเนี่ยนะคือสมาธิที่ไม่มีราคะเป็นที่ตั้งไม่มีโทสะเป็นที่ตั้งไม่มีโมหะเป็นที่ตั้งสุญญตาสมาธิก็คืออนัตตาสมาธินั่นแหละสมาธิที่เกิดร่วมกับอนัตตานุปัสสนาอนิมิตะสมาธิคือสมาธิที่เกิดร่วมกับอนิจจานุปัสสนาอัปปณิหิตะสมาธิก็คือสมาธิที่เกิดร่วมกับทุกขานุปัสสนา สมาธิที่เกิดร่วมกับสุญญานุปัสนาเนี่ยนะปฏิจริงก็ต้องแบบอสมาธิที่เกิดร่วมกับอนิมิตานุปัสนาคือสมาธิที่อตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วสมาธินั้ น, น่ะหมายความว่าสังขารตัวนั้นเนี่ยไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะอันนี้คือเมื่อเห็นโดยความเป็นอนิจจงเนี่ยไอสิ่งที่เป็นอนิจจงไม่เป็นเครื่องหมายแห่งราคะโทสะและโมหะเห็นความไม่เที่ยงของ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 ก็เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เ, ยเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาก็สิ่งนั้นอ่ะเลิกว่างจากราคะโทสะและโมหะหรือคลายจากราคะโทสะและโมหะออกไปนั่นแหละพราะฉะนั้นสุญญตาสมาธิก็คือสมาธิที่เกิดร่วมกับอนัตตานุปัสสนาอันนีมิตตสมาธิก็สมาธิที่เกิดร่วมกับอนิจจานุปัสสนาอัปปนิหิตสมาธิก็เป็นสมาธิที่เป็นเกิดร่วมกับ ทุกขานุปัสสนาแต่ถ้าบางในเนี่ยนะสุญญาตะสมาธิก็คือการเข้าพระสมาบัติถ้าระดับอันนี้นี่ที่พูดเมื่อกี้ระดับโลกิยะถ้าระดับโลกุตระสุญญาตะสมาธิก็คือสมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เข้าพระสมาบัติโสดาปฏิผลสมาบัติสก่าธาคามิผลสมาบัติอนาคามีผลสมาบัติแต่ถ้าที่ายอย่างนั้นปั๊บจะเป็นสัจจิกขาตประธรรม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 ก็จะว่างจากอขอไถ้าเห็นโดยความเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะถ้าเห็น้วยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะไม่เป็นเครื่องหมายแห่งราคะถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตาก็จะเป็นที่ว่างจากราคะโทสะและโมหะเนี่ยนะส่วนสติปทานเอาไว้อาทิตย์หนนะทำสีที่ควรเจริญคือสติปฐานกอา็อาทิตย์หน้ากันแล้วกัน สำหรับอาทิตย์นี้ปฏิสัมพิทธา ม, มากก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนึกถึงข้อความในมิลินทะปัญหาพระเจ้ามิลิน์กล่าวกับพระนาคเซนว่าพระคุณเจ้านาคเซนข้าพระเจ้านั้นไม่เชื่อรอกที่พวกท่านกล่าวกันว่าคนที่ทำบาปมาร้อยปี มาเจริญพุทธานุสติแล้วไปสวรรค์เขางั้นข้าพเจ้าไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งข้าพเจ้าไม่เชื่อหรอกว่าคนทำปานาติบาตฆ่าสัตว์แล้วครั้งเดียวตกนรกขงั้นนันคำที่พวกท่านพูดนั้นข้าพเจ้าไม่เชื่ออ น, นีน้ก็ฟังดูเออมันก็น่าจะคิดแบบถ้าเจ้ามีลินคิดใช่ไห ม, มจะเป็นไปได้ยังไงทาบาปมาทั้งร้อยปีก่อนจะตายจเจริญพุทธานุสติ แล้วไปสวรรค์อีกคนหนึ่งฆ่าสัตว์แค่ครั้งเดียวตายแล้วตกนรกมันฟังดูแล้วไม่สมเหตุสมผลเหมือนกันพระนาเษนก็กล่าวชี้แจงให้พระเจ้ามิลินฟังว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษเหมือนกันถ้าหากว่ามีเรือเอ่อมีหินเนี่ยนะก้อนหินเนี่ยสักร้อยตัน หินนี่ร้อยตันก็สมัยก่อนเขใช้ว่าร้อยเล่มเกวียนร้อยเล่มเกวียนก็คือร้อยเอ่อร้อยตันนั่นเองหินร้อยตันเนี่ยนะจับโยนลงไปในทะเลเนี่ยถ้ามีเรือบรรทุกสินค้าเรือบรรทุกใหญ่ใหญเนี่ยรองรับเนี่ยหินเหล่านั้นจะจมไปในทะเลไหมก้อนหินน้ําหนักร้อยตันเนี่ยนะถ้ามีเรืออย่างดีแล้วก็ใหญ่มากสามารถที่จะรองรับป้องกันไม่ให้ก้อนหินนั้นตกลงไปในน้ําได้ไหม ป้องกันได้ชั้นใดขนาดก้อนหินเนี่ยหนักเป็นร้อยตันเนี่ยนะถ้ามีเรือที่ใหญ่เรือที่ดีเรือที่มาตรฐานสามารถที่จะรองรับไม่ให้ก้อนหินทั้งร้อยตันเหล่านั้นนะจมลงไปในทะเลได้ชั้นใดผู้ที่ทำบาปทำอกุศลทำความชั่วมาเยอะแต่ถ้าหากว่าเขาสามารถเจริญพุทธานุสติได้เขาก็อันนั้นก็เป็นเครื่องรับรองเลยว่าเขาไปสุขติโลกสวรรค์ได้ ทีนี้ถามว่าเอาแล้วคนที่ทําบาปครั้งเดียวทําไมตกนรกได้ละ่ะคือธรรมชาติของก้อนหินเนี่ยนะมันจะก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนใหญ่ก้อนเท่าไหร่ก็ช่างเถอะถ้าโยนลงไปในน้ําโดยที่ไม่มีเครื่องรองรับจมแน่นอนฉันใดบา ป, ปรกรรมที่บุคคลทําไว้แล้วก็ฉันนั้นถ้าไม่มีคุณธรรมอะไรเป็นเครื่องรองรับก็จมไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกฉันนั้นเหมือนกันทั้งการเจริญพุทธานุสติ นนะการเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังขานุสติเจริญศีลานุสติจาคานุสติตลอดจนถึงเทวตานุสติการเจริญอนุสติทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถที่จะปกปักรักษาบุคคล น, นั้นไม่ให้ไปสู่อาบายทุคติวินิบาตนารกได้ฉั น, นั้นเพราะอะไรเพราะอนุสติเหล่านี้ก็เปรียบประดุจเรือนี่นะเปรียบประดุจเรือที่ รองรับคุณธรรมรองรับบุคคลเหล่านั้นไม่ให้จมลงไปในทะเลคืออบายไม่ให้จมลงไปในนรกเปรตอสุรกายและเดรัชานทั้งหลายั้นใครที่เจริญพุทธานุสติสามารถเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติเป็นรักษเธ อ, อว่าเป็นผู้ที่พัฒนาจากไม่ใช่สารณะธรรมดาแต่กลายเป็นกรรมฐานไปได้แล้วสามารถจะเจริญเป็นกรรมฐาน อยากจะให้พุทธบริษัททั้งหลายสามารถที่จะเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติถือว่าเป็นที่พึ่งที่ป้องกันภัยที่กําจัดภัยได้ไม่มีสิ่งอื่นจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่กว่าคุณของพระรัตนะตรัยอีกแล้วเพราะะนถ้าสามารถเจริญพุทธานุสติเป็นต้นได้ก็ทรงปกปักรักษาเราทั้งหลายไม่ให้ตกลงไปสู่ที่ต่ําได้เพราะฉะั้นเราต้องฝึก จเจริญผู้ฐานนุสติเป็นต้นให้เป็นนะน ะ, น ะ, จะเจริญให้เป็นให้เจนอ่ให้จิตจใจเป็นไปกับพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณทั้งหลายพระสารีบุตรท่านกล่าวว่าทำหกที่ควรจเจริญคืออนุสติหกนะทำหกที่ควรจเจริญคืออนุสติหกพูดถึงภาวเวตประธรรมทำที่ควรจเจริญทำหนึ่งที่ควรจเจริญคืออะไรย้อนกลับมานิดหนึ่ง กายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญก็คือสามารถพิจารณารูปประขันจนเจริญอสุภะแล้วบรรลุฌานได้ฌานที่มีอสุภะเป็นอารมณ์ชื่อว่ากายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญอันทำหนึ่งที่ควรเจริญก็คืออสุภะาฌานนั่นเองทำสองที่ควรเจริญคือสมถะกับวิปัสสนานนะ สมถะคือความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตสมถะสมถะการไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตวิปัสสนาก็คือการรู้แจ้งโดยประการต่างๆรู้แจ้งโดยอนิจจังเป็นต้นทำสามที่ควรเจริญก็คือสมาธิสสมาธิมีวิตกวิจารสมาธิไม่มีวิตกมีแต่วิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจารทำสี่ที่ควรเจริญก็คือ สติประธานสี่ทำห้าที่ควรเจริญก็คือสมาธิมีองค์ห้าทำหกที่ควรเจริญก็คืออนุสติหกทำเจ็ดที่ควรเจริญก็คือโพ่อชงเจ็ดทำแปดที่ควรเจริญก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดทำเก้าที่ควรเจริญก็คือ อ, นนะองค์แห่งความเพียรเป็นเครื่องบริสุทธิ์เก้า ประทานนี่ยังคปาปริสุทธิเนี่นะความเพียรเป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์นี่มีองค์เก้าทำสิบที่ควรเจริญก็คือกสินสิบเนี่ยนะ <c oughs> ในบรรดาย้อนกลับมาหาทำสี่ที่ควรเจริญเนี่ยนะทำสี่ที่ควรเจริญคือสติปฐานสี่สติปฐานสี่นั้นประกอบไปด้วยกายานุปัสนาสติปทาน เวทนานุปัสนาสติปทานจิตตานุปัสนาสติปฐานและธรรมานุปัสนาสติปทานกายานุปัสนาสติปทานก็คือการเจริญไงกันนะการเจริญโดยวิธีการสิบสี่วิธีเห็นในสติปทานสูตรมัชฌิมนิกายในมหาสติปทานสูตรที่ขั้นในนั้นกล่าวถึงวิธีการเจริญกายานุปัสนา สิบสี่วิธีกล่าวถึงการเจริญเวทนานุปัสสนากี่วิธีเก้าวิธีกล่าวถึงการเจริญจิตตานุปัสสนาสิบหกวิธีกล่าวถึงการเจริญธรรมานุปัสสนาห้าวิธีการด้วยกันข้อความโดยสรุปในสติปัฏฐานที่พระองค์ตรัสว่าดูการี่สู่ทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวะเพื่ออสดงดับไปแห่งทุกและโทมนัส เ, นะเพื่อบรุยายธ ร, รมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นไะนภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกคำว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนี่ยนะ กายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอพิชาโทมนะสังเนี่ยนะกายเยกายานุปัสสีเนี่ยนะบอกกายกับผู้พิจารณาตามพิจารณาเห็นกายกายานุปัสสีนั้นคือผู้ที่มีกายานุปัสนาหรือผู้ที่มีอนุปัสสนาทั้งหลายตามพิจารณาเห็นรูปประคัน เห็นรูปประคันโดยความเป็นของอะไรไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นรูปประคันโดยความเป็นของเที่ยงตามเห็นรูปประคันโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นรูปประคันโดยความเป็นสุขเห็นรูปประคันโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นรูปประคันโดยความเป็นอัตตาเห็นรูปประคันโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช really ่เพลิดเพลินตามเห็นรูปประคันโดยความคลายกำหนัดไม่ใช่ติดข้องกำหนัดตามเห็นรูปประคันโดยความดับไม่ใช่ ไม่ใช่อะไรคลายความดับไม่ใช่สร้างขึ้นตามเห็นโดยความคลายกำหนัดไม่ใช่ยึดถือผู้ที่พิจารณาตามเห็นรูปประคันโดยความเป็นของไม่เที่ยงอยู่จะละความสำคัญว่าเป็นของเที่ยงได้เด็ดขาดถ้าตามเห็นโดยความเป็นทุกข์อยู่จะละความสำคัญว่ารูปประคันเป็นสุขได้อย่างอย่างดีอย่างเด็ดขาดเลยนะถ้าตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาอยู่ก็จะละความสำคัญว่าเป็น อัตตาได้ถ้าตามเห็นโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายก็ละความเพลิดเพลินได้ถ้าตามเห็นโดยความคลายกำหนัดอยู่ก็จะละความกำหนัดได้ถ้าตามเห็นโดยความดับอยู่จะเลิกก่อเลิกสร้างถ้าตามเห็นโดยความสละคืนอยู่ก็เลอะคว่าละคลายจากความยึดถือได้นี่ผู้ที่เจริญวิปัสสนาดังกล่าวไปเนี่ยนะ ผู้ที่พิจารณาดังกล่าวไปนั้นจะต้องมีคุณธรรมแห่งการปฏิบัติมีอะไรบ้างนท่า น, นบอกว่าการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยปฏิบัติเวลาไหนคำที่กล่าวไปเมื่อกี้บอกว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาสิบสี่วิธีเนี่ยพิจารณาเวลาไหนพิจารณาตอนไหนพระองค์บอกว่าวิหารติ กายเยกายานุปัสสีวิหรติวิหา ร, ต, หารติตัวนั้นหมายถึงอิริยาบถวิหารคือให้เจริญในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่วิหารติแปลว่าวิหาราโดยศัพท์แปลว่าอยู่หมายถึงวิหารอยู่ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอาตาปีปฏิบัติด้วยสัมมประทานสี่นะสัมมประทานสี่อาตาปีสัมปชานุ ปฏิบัติด้วยสัมปชัญญะทั้งสี่เน้นพิเศษคืออะสัมโมหะสัมปชัญญะสติมามีสติหมายความว่าไม่เผลอเรอทําด้วยความไม่ประมาทไม่เลอะเลือนวินายะโลเกกําจัดอภิชาและโทมานัตให้ได้วิไนเนี่ยแปลว่ากําจัดกําจัดโดยตะทางค่าวิิัยกับวิขัมพนะวิไนกําจัดอภิชาอภิชาก็คือความติดข้องใน รูปประคันกาจัดโทมนัทโทมนัทเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารูปประคันวิบัติเนี่ยโดยทั่วทไปแล้วคนจะโทมนัทใช่ไหมถ้ารูปประคันสมบูรณ์อภิชาเกิดถ้ารูปรูปประคันมีปัญหาเปลี่ยนแปลงโทมนัทเกิดทั้งการปฏิบัติเจริญกายานุปัสนานในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัทนั้น่ะเป็นการปฏิบัติ ถ้ารูปประคันถึงพร้อมก็ไม่ใช่มีอภิชาถ้ารูปประคันมีปัญหาก็ไม่ใช่เกิดโทมนัสก็พิจารณาเจริญกรรมฐานโดยปราศจากอภิชาและโทมนัสปราศจากอภิชาที่เรียกว่าความยินดีปราศจากโทมนัสที่เรียกว่าความยินร้ายอภิชาเป็นชื่อของโลภะโทมนัสเป็นชื่อของโทสะแต่ให้เจริญให้ปฏิบัติด้วยอานาจของ ปัญญาด้วยอำนาจความเพียรด้วยอำนาจสติด้วยอำนาจของสมาธิเพราะตัวปฏิบัติจริงๆก็คือกายานุปัสนาเนี่ยนะกายะกายานุปัสีกายานุปนัส น, นะ น, น, นาก็คือวิปัสนาสัมมาทิฏฐิเจริญตัวที่เจริญจริงๆคือเจริญสัมมาทิฏฐิอาตาปีก็คือสัมสัมมาประธานสี่สัมมาประธานสี่ก็คือสัมมาวายามะ สัมปชาโนมีสัมปชัญญาสัมปชัญญาตัวนั้นก็เป็นชื่อของวิปัสนาเป็นอะสัมโมหะสัมปชัญญะที่ผ่านศาสกะสัมปชัญญาโคจระสัมปชัญญาสปายะสัมปชัญญาเป็นอย่างดีอันนั้นก็เป็นสัมมาทิฐิเป็นสัมมาทิฐิเป็นระดับทั้งพื้นฐานคือกรรมสกตาสัมมาทิฐิตลอดจนถึงวิปัสนาสัมมาทิฐิรวมไปทั้งฌานสัมมาทิฐิด้วย สติมาสติมาตัวนั้นก็คือมีสติคาว่ามีสตินั้นโดยความเป็นจริงแล้วรูปประขันจริ ง, รงๆอ่ะโดยสภาพที่เป็นจริงแท้ของรูปประขันคืออะไรจริงแท้เลยนะรูปประคันจะเมื่อไรที่ไหนอย่างไรก็ช่างเถอะที่จริงแท้ของรูปประขันคืออสุภะเนี่ยนะถ้ามีสติจริงๆต้องไม่เบล์กไม่เผลอว่าที่แท้จริงของรูปประคันคืออสุภะเนี่ยนะ แต่โดยทั่วๆไปมักจะเผลอเผลอว่าเป็นสุภาเราก็คิดดูว่าชีวิตประจำวันจริงๆของเราเผลอหรือไม่เผลอเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เผลอสินะเนาะอายอมรับสินะเอาไม่เป็นไรก็รู้ว่าโอ้ยไม่มีสติรู้ว่าไม่มีสตินี่ก็เก่งแล้วนะก็คือโดยสภาพที่เป็นจริงแล้วรูปประขันจะที่ไหนเมื่ อ, อไรอย่างไรก็คื อ, อสุภคือจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโดย โดยที่ปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเจริญข้อปฏิบัติเพื่อสร้างวัตตะ